ทำงานให้เ ส, เสร็จระยะสั้นโล่งใจระยะยาวหนักใจทำงานให้เสร็จดีระยะสั้นอึดอัดใจระยะยาวสบายใจงานห่วยๆเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีจิตห่วยๆเป็นตัวทำให้เกิดขึ้นงานเสร็จอย่างไรคุณภาพทางใจอย่างนั้น ทำงานให้เสร็จเร็วระยะสั้นจะโล่งใจที่ได้ผลักภาระไปพ้นๆแต่ระยะยาวจะหนักใจที่ต้องแบกภาระเรื่อยๆในที่สุดชีวิตจะจมทุกข์อยู่กับงานประจำที่ทนทำทำงานให้เสร็จดีระยะสั้นจะอึดอัดใจที่ผ่านยากผ่านเย็นแต่ระยะยาวจะสบายใจ ที่งานดีและง่ายได้ขึ้นเรื่อยๆในที่สุดชีวิตจะอิ่มสุขอยู่กับผลงานที่ฝากไว้หลายคนเลือกที่จะให้นิยามงานของตัวเองตามไรายได้โดยท่องไว้เป็นคาถาว่าคุณภาพงานตามปริมาณเงินเดือนนั่นก็เท่ากับยอมให้เงินเดือนเป็นตัวกำหนดคุณภาพทางใจ ตลอดไปจนถึงคุณภาพชีวิตหลายคนแปลกใจเมื่อพบว่าสินค้าในปัจจุบันทั้งที่มีแบรนด์และไม่มีแบรนด์กลายเป็นของที่ต้องเข้าซ่อมหรือต้องเรียกช่างมาช่วยแก้ไขตั้งแต่วันแรกๆซึ่งนั่นไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีห่วยลงแต่เพราะจิตวิญญาณของคนทำงานยุคเราห่วยลงเรื่อยๆ ไม่ว่าจะประจำตาแหน่งหน้าที่ใหญ่เล็กแค่ไหนถ้างานของคุณแย่คุณมีส่วนซ้ำเติมให้โลกนี้แย่ลงแน่แนแต่ถ้างานของคุณดีคุณมีส่วนช่วยยกระดับให้โลกนี้ดีขึ้นจริงๆชีวิตที่ทำงานเก่งทำงานเสร็จเร็วและมีความเป็นสมาธิจดจ่อกับงานได้ต่อเนื่องดีกว่าชีวิตที่เฉื่อยชา ที่ครอบครองเงินห้าล้านหรือร้อยล้านเพราะความเฉื่อยชาจะทำให้คุณเบื่อแม้ชีวิตตัวเองต่อให้เอาโลกทั้งใบมาประเคนสมองก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาอยากรับอยากรู้หากทำงานแล้วไม่เกิดสมาธิแนวโน้มคือยิ่งทำจะยิ่งเบือ่อให้ตั้งเป้าไว้ว่าคุณจะทำงานเอาสมาธิ คอยสังเกตใจว่าเอื่อยเฉยลงเมื่อใดสัดสายสั้นไปทางอื่นเมื่อใดแล้วปรับโฟกัสสายตาใหม่ให้เห็นงานตรงหน้าสังเกตด้วยว่าปลืดฝืนแค่ไหนหายใจทีหนึ่งแล้วผ่อนคลายลงบ้างไหมในหัวและในอกสงบจากแรงดึงดันให้หยุดทำงานบ้างไหม ยิ่งสังเกตเห็นว่ามีจิตต่อติดกับงานได้แล้วรู้สึกดีมากขึ้นเท่าใดคุณจะยิ่งรู้สึกเป็นมิตรกับงานมากขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆเห็นงานเป็นเครื่องสร้างสมาธิจิตความเบื่องงานจะหายไปหรือน้อยลงกว่าครึ่ง